ต่อไปนี้ก็จะพูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้เรียนรู้ความรู้อันระเสรฐของบุคคลผู้ระเสรฐที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งในโลกนี้ บุคคลนั้นก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเพ็ญเดือนหกเรียกว่าวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติของพระพุทธเจ้า วันตัดสรุ้ของพระพุทธเจ้าและวันเสด็จดับขันธพราหมณีพานของพระพุทธเจ้าเป็นวันสำคัญที่สุดในปฏิทินของพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทำให้มีพุทธศาสนา ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาประสูติมาตรสรุมาประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกโลกเหล่านี้ก็จะไม่มีพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นผลที่เกิดจากการ ประสูติและตัดสรุและการเผยแผ่พระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าให้แก่สัตว์โลกพระธรรมคำสอนที่ไม่เคยมีปรากฏในโลกนี้มาก่อนเป็นคำสอนหรือเป็นความรู้ที่ ไม่มีสัตว์โลกผู้ใดสามารถจะรู้เห็นได้ด้วยตนเองยกเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุเป็นความรู้ที่จะนำพาสัตว์โลกผู้ติดอยู่ในกองทุกข์ แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏให้ได้หลุดออกจากกองทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดลาบใดถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุมมาพาสัตว์โลกให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ อาบนั้นจะไม่มีสัตว์โลกผู้ใดที่จะสามารถที่จะหลุดออกจากไตรภพนี้ไปได้ต่อให้มาเกิดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามจะเป็นพระมาหาจักรพรรดิเป็นพระมาหากษัตริย์เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ระดับสูงสุดของโลกเป็นผู้ที่มีความสามารถในการผลิตในการสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาในโลกนี้บุคคลเหล่านี้จะไม่มีความสามารถที่จะพาให้ตนได้หลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลย เพียงแต่จะรู้ว่าตนเองติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็ยังไม่รู้เลยเมื่อยังไม่รู้ว่าตนเองเป็นนักโทษแล้วจะไปปลดเบื้องตอนเองให้ออกจากการเป็นนักโทษได้อย่างไรนี่คือความหนาแน่น ของอวิชชาความไม่รู้เรื่องความเป็นจริงของชีวิตของสัตว์ลตโลกทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายคิดว่าการมาเกิดเป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อได้มาเกิดแล้วจะได้หาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ได้มองถึงความทุกข์ต่างๆที่ติดมากับการมาเกิดเลยความทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นออกจากท้องแม่มาก็ลองก็เริ่มปรากฏความทุกข์ขึ้นมาเด็กทารกไม่มีเด็กคนไหนที่ออกมาจากท้องแม่แล้วหัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใส มีแต่ร้องไห้กันทุกคนนั่นแสดงว่าเริ่มต้นของความทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าการเกิดเป็นทุกข์นั่นเองพอเกิดมาสิ่งแรกต้องทำเองก็คือต้องหาลมหายใจขาดลมหายใจเพียงไม่กี่นาทีก็สิ้นสุด ลมของชีวิตดังนั้นตอนที่อยู่ในคันนี่สบายอาศัยลมอาศัยน้ําอาศัยอาหารของแม่หล่อเลี้ยงไม่ต้องทําอะไรสบายนอนอย่างเดียวกินกับนอนอย่างเดียวแต่พอออกมาจากท้องแม่แล้วต้องพึ่งตัวเองนะต้องหัดหายใจเองแล้ว หายใจแล้วก็ต้องหาน้ำหาอาหารในเบื้องต้นก็หาด้วยการร้องโวยวายเพราะยังไม่มีความสามารถที่จะหาได้เองก็เลยต้องส่งสัญญาณไปให้กับบิดามารดาให้รู้ว่ากำลังทุกข์กับความหิวอาหารกำลังทุกข์กับความหิวน้ำ แล้วถ้าหนาวอากาศหนาวก็ร้องอากาศร้อนก็ร้องสแสดงความทุกข์ให้กับบิดามารดาให้ทราบ พ, พอบิดามารดาได้ยินเสียงร้องก็ต้องมาต้นิบัตรรับใช้มาทำมาแก้ปัญหาให้กับทารกนี่นี่แหละ ถ้าไม่คิดเราก็จะไม่รู้ว่านี่เป็นความทุกข์ถ้าเป็นความสุขเด็กทารกนี้น่าจะเลี้ยงง่ายเด็กจะยิ้มจะหัวเราะตลอดเวลาจะไม่มาตื่นร้องตื่นในยามเดึกมารบกวนพ่อแม่นี่เวลามีลูกใหม่ๆแทบจะไม่ได้นอนนอนได้ชั่วโมงสองชั่วโมง เดี๋ยวลูกก็ร้องขึ้นมาอีกแล้วที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อให้เราได้เห็นภาพของความทุกข์ของการมาเกิดที่เรามักจะมองข้ามกันไปเพราะเรามีพูกมาช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับเราคือมีบิดามารดาแต่ก็มีเด็กทารกอยู่มากที่ ไม่มีบิดามารดามาคอยเลี้ยงดูเนื่องจากบิดามารดาอาจจะมีเหตุที่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูทารกได้ทารกก็ถูกทอดทิ้งไว้ในที่ต่างๆตายบ้างตายไปบ้างก็มีรอดตายบ้างก็มีถ้าอย่างโชคดีมีผู้อื่นมาเห็นเขาก็มา เอาเด็กทารกนั้นไปเลี้ยงดูต่อถ้าไม่มีชีวิตก็สิ้นสุดลงเพียงไม่กี่วันหลังจากที่ได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้นี่ก็เรื่องของความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดเกิดแล้วน ก, ก็ต้องมาทุกข์กับการดิ้นรนต่อสู้กับภัยต่างๆที่มา ลุกรามอยู่ตลอดเวลาภัยมีหลายชนิดภัยทางธรรมชาติภัยเกี่ยวกับไฟภัยเกี่ยวกับน้าท่วมภัยเกี่ยวกับลมพายุอันนี้อยู่ถ้าเกิดไปเจอช่วงไหนที่เจอช่วงน้ำท่วมก็ลำบากลำบน และบางครั้งก็อาจจะตายได้เช่นเดียวกับไฟไหม้เช่นเดียวกับพายุนี่คือภัยทางธรรมชาติแล้วก็ยังมีภัยจากสัตว์ร้ายต่างๆที่อาจจะมาลุกรลานมาทำลายชีวิตได้แล้วก็ยังมีภัยจากบุคคลที่ไม่ชอบทั้งหลาย ที่อาจจะมาเบียดเบียนมาสร้างความทุกข์มาทำให้ถึงแก่ความตายได้นอกจากนั้นยังมีภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอันนี้พวกเราก็คงจะทราบกันเพราะพวนี้พช่วงนี้เรากำลังถูกภัยคุกคามจากเชื้อโรค โรคระบาดเชื้อโลคโควิดสิบเก้าที่แพร่กระจายไปทั่วโลกเอาชีวิตไปแล้วประมาณแสนกว่าคนและยังไม่หยุดยังเผยแพร่ต่อไปอยู่อย่างต่อเนื่องจะมีคนจะต้องเสียชีวิตขึ้นไปอีกมากมาย ก, กว่าจะสามารถ ทำลายเชื้อโรคเหล่านี้ให้หมดไปได้นอกจากเชื้อโรคต่างๆแล้วก็ยังมีโรคที่เกิดจากกานาพาของอวัยวะของร่างกายเองร่างกายเองเมื่อแก่ชราภาพอวัยวะต่างๆก็จะชำรุดทุดโทมไป ก็จะมีโรคเกี่ยวกับอวัยวะสั่งตา่างโรคหัวใจโรคปอดโรคตับโรคไตแล้วในที่สุดถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องเสียชีวิตไปนี่คือด้านที่พวกเราอาจจะไม่คิดกันอาจจะไม่มองกันก็เลยทำให้เราคิดว่าการมาเกิด นีเป็นสุขกันดี อ, อกดีใจกันเวลาใครได้ลูกเลียงฉลองวันเกิดกันเพราะเรามองในด้านบวกด้านของความสุขของการมาเกิดก็แล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ไปหาราบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโพรดพระชนิดต่างๆ เวลาได้ลาบยศสรรเสริญได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆก็มีความสุขกันแต่ความสุขเหล่านี้ก็เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่ ถ้ายังหาได้อยู่ก็ยังมีความสุขได้อยู่แต่ถ้าไม่สามารถหาได้เวลานั้นความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีทุกข์ยากลำบากปวดยาขาดแขนเพราะอาจจะมีอุปสรรคในการที่จะหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับตน หรือถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยชราภาพความสามารถในการหาความสุขต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้หาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับตนก็จะมีเพิ่มขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละคือการตัดสุุของพระพุทธเจ้า ้รงรู้ว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์เกิดแล้วก็แก่ความแก่ก็เป็นทุกข์แก่แล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์แล้วก็ต้องตายไปทุกคนไม่ว่าจะเกิดมากี่คนก็ต้องตายไปทุกคนไม่มีใครเล็ดลอดจากความตายไปได้ อันนี้เป็นสัจธรรมความจริงที่ทำให้พระพุทธเจ้าซึ่งในตอนนั้นเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะต้องอคิดค้นหาวิธีว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะไม่ต้องมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตาย การเกิดนั้นก็ผ่านมาแล้วแต่การแก่การเจ็บการตายนี้ยังมาไม่ถึงมีวิธีใดที่จะทำให้ไม่ต้องทุก์กับความแก่กับความเจ็บกับความตายได้หรือไม mm hmm. ่เมื่อพระองค์ได้ทรงเห็นภาพของคนแก่ของคนเจ็บและของคนตาย ก็ย้อนกลับมาดูที่ร่างกายของพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์ก็ทรงเห็นว่าร่างกายของพระ อ, องค์ก็ต้องแก่ต้องเจ็บและก็ต้องตายไปเหมือนกัน mm hmm. เพียงแต่นึกภาพความทุกข์ใจก็เกิดขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ทันสัมผัสกับความจริงเลยคิดดูว่าเมื่อต้องเจอกับความความจริงขึ้นมาจริงๆแล้ว ความทุกข์มันจะมากขึ้นมาขนาดไหนเมื่อทรงเห็นภาพเหล่านี้ก็ทำให้พระองค์เกิดความขวนขวายขึ้นมาขวนขวายหาวิธีว่ามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้ไม่ต้องมาทุกข์กับความแก่ไม่ต้องมาทุกข์กับความเจ็บไม่ต้องมาทุกข์กับความตาย ก็ทรงเห็นพวกนักบวชและได้ทราบเรื่องของพวกนักบวชว่าเป็นพวกที่ศึกษาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายมเมื่อทรงได้ทราบได้รู้เรื่องของนักบวชก็เลยมีศรัทธามีความอยาก ที่จะไปบวชบ้างแต่ก็ต้องรอเวลารอโอกาสเพราะชีวิตของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถนี้ถูกพระราชบิดากำหนดไว้แล้วว่าต้องเป็นพระมาหาักพัสตามที่พระโหราจาร์ต่างๆได้ทำนายเอาไว้ พระราชบิดาจึงพยายามปิดกั้นทางที่จะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้ออกไปเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตทั้งๆ ท, ที่ทรงถูกห้ามไม่ให้ ออกไปนอกเขตพระราชวังเพราะพระราชบิดาไม่ต้องการให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเห็นสัตยธรรมเห็นความทุกข์ของชีวิตนั่นเองไม่อยากให้เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายอยากจะเห็นให้เห็นแต่คนหนุ่มหนุ่มสาวสาวคนที่มีร่างกายแข็งแรงมีกําลังวังชาจึงทรงห้ามไม่ให้ คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปในวังของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะเลยไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายมาก่อนแต่อยู่ในวังไม่ได้ออกไปนอกวังก็เหมือนกับคนติดคุกนั่นเองคนอยู่ในคุกถึงแม้ว่าจะเป็นคุกทองคามีความสุขที่เหนือกว่าความสุข ที่อยู่นอกคุก่มันก็ยังมีความรู้สึกว่าไม่เป็นอิสระเป็นเหมือนยังถูกกักขังอยู่ในคุกในตารางจึงมีความอยากที่จะออกไปนอกหวังแล้วก็มีโอกาสได้หนีออกไปเที่ยวในวันหนึ่งจนได้ไปเจอสัจธรรมของชีวิต คือความแก่ความเจ็บความตายเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายแล้วก็เห็นนักบวชจึงทำให้พระองค์ได้มีข้อคิดมีโจทย์ขึ้นมาให้พระองค์จะต้องแก่คือเรื่องของความทุกข์เพราะตอนที่พระองค์ทรงเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย และทรงทราบว่าต่อไปพระองค์จะต้องเป็นคนแก่เป็นคนเจ็บเป็นคนตายด้วยความทุกข์ในใจที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมามาก่อนก็ปรากฏขึ้นมาให้พระองค์ได้ทรงเห็นจึงทําให้พระองค์นี้ไม่มีความสุขเหมือนกับตอนที่ไม่ได้ออกมาจะออกมาเที่ยวนอกวังตอนอยู่ในวังก็มีแต่ความสุขกับการเสพ โลภเสียงกลิ่นโลดโถดพระชนิดต่างๆถ้ามีความทุกข์บ้างก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากการเบื่อหน่ายบ้างความจำเจบ้างแต่มันก็ไม่รุนแรงเหมือนกับความทุกข์ที่ได้รู้ว่าต่อไปร่างกายของพระองค์จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตาย ความทุกข์นี้มันก็ฝังอยู่ในใจพระองค์ตลอดหลังจากที่ได้ออกไปวันนั้นกลับมาแล้วพอคิดถึงเรื่องคนแก่คนเจ็บคนตายทีไรความทุกข์มันก็โผล่ขึ้นมาทุกครั้งไปเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าถ้าแก่เจ็บตายแล้วจะไม่มีความสามารถที่จะหาความสุขอย่างที่พระองค์ทรงหาได้อยู่ในตอนนั้นนั่นเอง เมือ่อเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตใจของพระองค์ก็เลยคิดที่จะหาทางออกจากความทุกข์นี้ก็มองไปที่พวกนักบวชก็ได้ยินว่าพวกนักบวชนี้เป็นพวกที่หาวิธีหรือได้คบวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ภายในใจนั้นหดหายไปก็รอจังหวะรอโอกาส ใจก็ยังไม่กล้าไปจนในที่สุดมีเหตุบังคับให้ต้องตัดสินพระไถยคือตอนที่พระม่เหสีได้ขอดพระราชโอรสขึ้นมาพอได้ยินข่าวจากมหาเล็กว่ามเหสีได้ขอดพระโอรสแล้วพระองค์ก็ทรงอุทานคำว่าราหุนขึ้นมา คำเลราาหุนเป็นภาษาบาลีนภาษาที่ใช้พูดในสมัยพระพุทธเจ้าแปลว่าบ่วงพระองค์ทรงตัดออกมาว่าบ่วงเกิดขึ้นแล้วราหุนเกิดขึ้นแล้วมหาเล็กไม่ทราบความหมายก็คิดว่าทรงตั้งชื่ออรสว่าราหุน ลาหุนก็เลยเป็นชื่อของโอรสตั้งแต่บัดนั้นมาแต่ความหมายของพระพุทธเจ้าของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็คือบ่วงเกิดขึ้นแล้วอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วต้องออกจากวังไปแล้วต้องไปแสวงหาวิโมกขธรรมแล้วหาทางหลุดพ้นออกจากความทุกข์ของการ แก่การเจ็บการตายแล้วถ้าอยู่ในวังนี้จะไม่มีวันที่จะพ้นจากความทุกข์นี้ได้เพราะไม่มีใครในวังที่รู้วิธีนั่นเองคนในวังทุกคนนี้ทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายด้วยกันทุกคนเพราะงั้นเลยต้องมุ่งออกไปอยู่กับพวกนักบวช เลยต้องหนีออกจากวังไปในคืนนั้นโดยที่ไม่บอกให้ใครรู้เพราะถ้าบอกก็จะถูกห้ามอย่างแน่นอนจะไปไม่ได้ก็เลยต้องหนีออกไปในยามวิการไปกับมหาเล็กตามไปส่งที่ชายแดนของของประเทศแล้วหลังจากนั้นพ่อ ก, ก็ส่งทรงพระเกศา แล้วก็ใส่เครื่องของนักบวชแล้วก็ไปศึกษาไปอยู่กับพวกนักบวชมเรียนรู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายในยุคนั้นก็มีวิธีที่จะทำให้ใจนี้หายทุกข์ แต่เป็นวิธีแบบชั่วคราวคือวิธีการเข้าสมาธิเข้าฌานสมัยนั้นมีการปฏิบัติระดับศีลและระดับสมาธิอยู่แล้วพ่อองค์ก็ไปศึกษาก็ไปนักษาศีลของนักบวชแล้วก็ไปฝึกสมาธิาเจรินสติทำใจให้สงบ เวลาใจสงบความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆก็หายไปหมดความวิตกกังวลความหวาดกลัวความกังวลกัวายกระสับกระสายความพุ่งสร้างอะไรต่างๆนั้นหายไปหมดใจดจะสงบเย็นสบายมีความสุขมีอุเบกขา ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่ความสงบนี้เป็นความสงบชั่วคราวเพราะอยู่ในสมาธิได้เมื่อได้ตลอดนั่นเองไม่ช้าก็เร็วจิตก็ต้องถอนออกจากสมาธิมาเกี่ยวข้องกับร่างกายช่วงที่เข้าสมาธิ จิตเหมือนกับถอนจิตออกจากร่างกายไปชั่วคราวแต่ร่างกายนี้ยังอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของจิตอยู่เมื่อร่างกายมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลก็จะไปกระตุ้นให้จิตออกจากสมาธิมาถึงเวลาที่จะต้องเข้าห้องน้ำแล้วถึงเวลาที่จะต้องเดืมน้ำแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องอเปลี่ยนอิรยาบทแล้วเป็นต้นการดับความทุกข์ในยุคนั้นจึงดับได้ชั่วในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วความคิดปรุงแต่งต่างๆก็เริ่มปรากฏขึ้นมาความรับรู้เรื่องราวต่างๆของชีวิตก็ปรากฏขึ้นมา พอมารับรู้เรื่องราวของความแก่ความเจ็บของความตายของร่างกายใหม่ความทุกข์ก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่นี่คือวิธีของการดับทุกข์ของนักบวชในยุคที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตัดสู้พระอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่รู้จักพระอริยสัจสี่ไปสอบถามไปเรียน กับครูบาอาจารย์องค์ไหนท่านก็รู้แค่ระดับสมาธิระดับฌานเท่านั้นไม่มีใครรู้ระดับปัญญาระดับวิปัสสนา <c oughs> คือความจริงของความทุกข์ว่ามันเกิดจากอะไรและการจะดับความทุกข์นี้ต้องดับด้วยอะไรอนนั้นไม่มีใครรู้ ดับด้วยสมาธิเท่านั้นรู้เพียงแต่ดับด้วยสมาธิซึ่งดับได้เป็นระยะระยะแต่ไม่สามารถดับได้อย่างถาวรเมื่อไม่มีใครสามารถสอนพระพุทธเจ้าได้ในตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยต้องไปค้นคว้าหาความจริงด้วยพระองค์เองรองผิดลองถูก ลองทดลองทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ <c oughs> เพื่อที่จะทำให้ความทุกข์หายไป <c oughs> ความทุกข์ก็ยังไม่หายไปจากใจ <c oughs> ในที่สุดพระองค์ก็ทรงค้นพบวิธี <c oughs> แห่งปัญญาและวิธีแห่งวิปัสสนา <c oughs> <c oughs> ทรงค้นพบว่า <c oughs> ความทุกนี้เกิดจากความอยากของใจเองความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเป็นต้นความอยากอยู่ไปนานๆเพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆเป็นเหตุที่ทำให้มีความทุกข์เกิดขึ้นพอเห็นคนแก่ความอยากไม่แก่ก็จะเกิดขึ้นมาทันที พอเกิดความอยากไม่แก่ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาทันทีตอนที่เข้าไปในสมาธิตอนนั้นความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่ได้ทำงานเพราะตอนนั้นไม่มีความคิดเกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายไม่มีการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเพราะจิตตั้งอยู่ในความสงบ ไม่มีความคิดปรุงแต่งจิตก็เลยไม่มีความทุกข์เมื่อสองเปรียบเทียบจิตช่วงที่ไม่มีความทุกข์กับจิตที่มีความทุกข์ว่ามันต่างกันตรงไหนก็ต่างกันตรงที่มีตัณหาความอยากนี่เองพอมีความอยากขึ้นมาก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมา ความไม่สบายใจไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะตอนนั้นร่างกายของพระพุทธเจ้าตอนนั้นก็ยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดัยงนั้นพระองค์ก็ทรงเห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายก็ไม่ได้ใช่เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจเพราะร่างกายของพระองค์ตอนนั้น ยังให้แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายแต่ทำไมทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายก็มองย้อนเข้าไปถามตัวเองเพื่อได้คมตอบว่าเป็นเพราะว่าเราไม่อยากแก่ใช่ไหมเราไม่อยากเจ็บใขรได้ป่วยใช่ไหมเราไม่อยากตายใช่ไหมนั่นแหละถ้าลองถามตัวเองจริงๆแล้วมันต้องได้คำตอบทุกคนเนี่ยถามลองถามตัวเองว่า เราทุกข์กับความแก่เพราะอะไรเพราะเราไม่อยากแก่ใช่หรือเปล่าถ้าเราอยากแก่เราจะทุกข์ไหมเวลาเราอยากได้อะไรแล้วเราได้นี้เราจะดีใจหรือเราจะเสียใจเราก็จะเห็นชัดเลยว่าความทุกข์เกิดจากความอยากได้ในสิ่งที่ได้ไม่ได้เป็นไปไม่ได้เช่นเวลาเราสูญเสียเงินทองไปเงินหายไปเนี่ย ทุกไมทุกเพราะอะไรเพราะอยากได้เงินคืนใช่ไหมแล้วได้คืนหรือไม่มันได้ไม่คืนเพราะมันไปแล้วไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนหาไม่ได้ถ้าโชคดีก่อไปเจอเข้าก็หายทุกทันทีแต่ของบางอย่างไปแล้วมันไม่กลับเช่นคนที่เรารักสมมติว่าเขาตายจากเราไปเขาไม่กลับมาแล้ว เราอยากให้เขากลับมาอยากให้เขาอยู่กับเราเหมือนเดิมนี่มันจึงทำให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเรามองความจริงว่าเขากลับมาไม่ได้แล้ว<ม>เขาต้องไปแล้วเขาไปแล้วไม่มีวันกลับแล้ว<ม>จะอยากไปยังไงจะทุกข์ไปยังไงเขาก็ไม่กลับมามถ้าคิดด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็จะเห็นว่า ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้งั้นถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็หยุดความอยากนี้เสียเท่านั้นเองเพราะตอนที่เราไม่มีความอยากอันนี้เราไม่ได้ทุกข์อันนี้ก็เลยทำให้เห็นความจริงว่าสิ่งที่เราอยากนั้นที่ทำให้เราทุกข์ก็เพราะว่าเขาเป็นสิ่งที่ไปแล้วไม่กลับนั่นเอง แล้วก็เป็นสิ่งที่เราไปสั่งให้เขากลับมาไม่ได้ไปไม่กลับก็คืออนิจจาอนิจจังความตายเป็นอนิจจังความหนุ่มความสาวเป็นอนิจจังความมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์นี่เป็นอนิจจังเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาเป็นแล้วบางทีก็ไม่หาย แก่แล้วจะกลับไปเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เป็นไปไม่ได้โครคภัยไข้เจ็บบางโรคยังอาจจะหายได้แต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องไปเจอโรคที่ไม่หายจนได้อันนี้จึงทำให้พระพุทธเจ้าเห็นอ น, นิจจังขึ้นมาเห็นในสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์ว่าเป็นอ น, นิจจังเห็นว่าสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์เป็นอนัตตาคือ ไม่ได้เป็นของเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เราจะควบคุมบังคับให้อยู่ให้เป็นตามที่เราต้องการได้เช่นร่างกายของเราเราไปเรียกว่าของเราแต่ความจริงถ้ามันเป็นของเราจริงเราต้องสั่งให้มันไม่แก่ได้สั่งให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้สั่งให้มันไม่ตายได้แต่มันไม่ได้เป็นของเรามันเป็นของธรรมชาติ ธรรมชาติคือดินน้ำลมไฟผู้ที่สร้างร่างกายนี้ขึ้นมาและผู้ที่จะทำลายร่างกายนี้เวลาที่ธรรมชาติทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟแยกตัวออกจากกันนี่คือการใช้เหตุใช้ผลของพระพุทธเจ้าส่งคนพบสาเหตุที่ทำให้พระไทยของพระองค์ทุก คือความอยากอยากไม่ให้ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตายและทรงเห็นว่าวิธีที่จะทำให้ความอยากนี้หายไปได้ก็คือการมองเห็นความจริงของสิ่งที่ใจไปอยากว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีการสิ้นสุดลงมีวันที่จะต้องพัดพากจากกัน ไม่มีการที่จะกลับคืนมาได้ไแก่แล้วก็ต้องแก่ไปไม่มีวันที่จะกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ตายก็ต้องตายไปไม่มีการกลับคืนมาได้ไม่มีใครห้ามความจริงของร่างกายนี้ได้ถ้ายอมรับความจริงเมื่อห้ามไม่ได้ก็จะไปอยากทาไมไปอยากแก่ก็มันก็อยากไม่แก่มันก็ไม่สมหวัง อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่สมหวังอยากไม่ตายมันก็ไม่สมหวังอยากเราเครียดอยากเราทุกข์อยากไปทำไมถ้าอยากในธงตงัตง้งงตรงกันข้ามอยากแล้วได้ดังใจอยากมันจะไม่เครียดแล้วมันจะสบายใจเช่นตอนนี้อยากไม่ป่วยด้วยโรคนี้โรคระบาดนี้ถ้าเรา พิจารณาว่าห้ามมันได้หรือเปล่าถ้ามันจะมาทำให้เราป่วยห้ามไม่ได้ถ้าเราเปลี่ยนใจเปลี่ยนความอยากจากความอยากไม่ป่วยให้เป็นความอยากป่วยมันก็จะดีใจใเวลาได้ป่วยขึ้นมาเวลาเราอยากได้อะไรพอได้แล้วเราก็ดีใจเช่นสมมติว่าเราอยากได้รถเบนทแล้วเงินไม่มีพอ ซื้อไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนใจเอาโตโยต้าก็แล้งกันโตโยต้ามีเงินพอซื้อโตโยต้าได้พอเปลี่ยนความอยากจากได้รถเบนซ์มาอยากได้โตโยตา้าได้ยังสมอยากก็หายทุกทันทีถ้ายังอยากได้รถเบนซ์อยู่มันก็ยังทุกอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงมองความจริงของร่างกายมองเห็นความจริงของร่างกาย ว่าห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วถ้าไปอยากไปฝืนกับความจริงของร่างกายมันก็จะทำให้ผิดหวังจะทำให้ทุกข์นั่นเองแต่พอเปลี่ยนอา้าเมื่อห้ามไม่ให้มันแก่ไม่ได้ไม่อยากให้มันแก่ไม่ได้ก็อยากแก่ซะสิพออยากแก่ทีนี้ก็จะหายทุกข์ พะจะสมหวังจะแก่ได้แก่แ น, น่น่ะอยากเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวได้เจ็บแ น, น, น่น่ะเมื่อโรคนี้ก็ต้องมีโรคอื่นรอคิวอยู่เยอะแยะไปหมดอย่าไปคิดว่าโรคนี้เป็นโรคเดียวที่จะมารบ ก, กวนเราโรคนี้หายไปโรคอื่นยังเข้าคิวอยู่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าโรคอะไรโรคที่ยุงกัดเนี่ยใา้เลือดออก แต่ว่ามันไม่รุนแรงมันไม่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางมันก็เลยไม่เป็นข่าวเดี๋ยวโลกนี้หายไปมันก็มีโลกอื่นขึ้นมาเห็นถ้าเราปรับใจเปลี่ยนความอยากว่าเปลี่ยนความอยากจากการไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยให้เป็นความอยากเจ็บไข้ได้ป่วยเอออยากเจ็บไข้ได้ป่วยพร้อมที่จะรับโรคภยัยไข้เจ็บทุกชนิดถ้าทาใจแบบนี้ได้แล้วรับรองได้ว่า ใ่จะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเพราะรู้ว่ามันหนีไม่พ้นี่ครูบาอาจารย์พระสุปฏิปฏันโนท่านไหนท่านไม่ค่อยกลัวโครคภัยไข้เจ็บเพราะท่านพิจารณาด้วยปัญญาแล้วว่าหนีไม่พ้นจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยกันทุกคนแล้วจะไปอยากให้มันไม่เจ็บทำไมอยากก็มันทุกข์เวลาปฏิบัติมันจะเห็นชัด เวลาเกิดความอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วมันจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากได้ในสิ่งที่เป็นไปได้มันจะไม่ทุกข์ท่านก็เลยเปลี่ยนความอยากอยากความอยากไม่แก่เป็นความอยากแก่คือป่งนั้นเองยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายก็เหมือนกับอยากแก่อยากเจ็บอยากตายท่านก็เลยสมหวัง พอสมหวังจิตก็สงบจิตก็มีความสุขพอพอยอมเปลี่ยนจากอยากได้รถเบนมาเป็นได้รถโตโยตา้าพอเปลี่ยนใจได้ปั๊บได้รถโตโยตา้าก็แฮปปี้ดีใจขึ้นมาทันทีแต่ถ้ายังดกักอยากได้รถเบนอยู่ถึงแม้เขาจะให้โตโยต้ามาพีซีก็ยังไม่แฮปปี้อยู่นั่นเพราะใจยังอยากได้เบนอยู่นั่น นี่แหละคือการคิดด้วยปัญญาต้องคิดแบบนี้ดูเหตุที่ทำให้เราไม่สบายใจเอาไม่เชื่อเราเอาไปใช้ใดูได้เรามีความไม่สบายใจอยู่เรื่อยๆ เ, อเช่นตอนนี้อยากให้มันมันไม่สบายใจเพราะมันร้อนอมันร้อนแล้วจะทำยังไงได้เราทำให้มันเย็นได้หอเปล่าทำให้มันเย็นไม่ได้มันก็อยากให้มันเย็นมันก็ทำให้เราทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าเราเปลี่ยนใจว่าเมื่อมันร้อนทำให้มันเย็นไม่ได้ก็อยากร้อนไม่ดีกว่าคิดถึงพวกหลั่งที่เขาเข้าไปในห้องซอหน้าดูหนี่ห้องซอน้ามันร้อนจะตายไปถ้ามมันเข้าไปได้กันเพราะมันอยากร้อนใช่ไหมมันอยู่ข้างนอกมันหนาวประเทศเมืองหนาวนี่เขามีห้องอบอพอหนาวมากๆ ก, ก็เข้าไปในห้องอบร้อนจะตายไปเงือแตกพักแต่กลับมีความสุขเพราะอะไร เพราะอยากร้อนแล้วสิเนี่ยพวกเราตอนนี้ถ้าทุกข์เพราะความร้อนก็เปลี่ยนใจทุกข์เพราะว่าเรามันอยากให้มันหายร้อนอยากให้มันเย็นแต่เราทําให้มันหายไม่ได้ทําให้มันเย็นไม่ได้เรามาเปลี่ยนใจเราดีกว่าเราอยจะไปเปลี่ยนความเปลี่ยนในสิ่งที่เราเปลี่ยนไม่ได้เราก็มาเปลี่ยนใจเราอ่ามันร้อนก็อยากก็อยากร้อนไปกับมันก็แล้วกันอยากให้มันร้อนกว่านี้ยิ่งดียิ่งท้าทายใหญ่มันก็ยิ่งทําให้เราอสบายใจ มันนอนก่านี้ก็ยิ่งดีใจใหญ่ได้ดังใจใหญ่เปลี่ยนใจได้เพียงแต่เราต้องฝึกเท่นั้นเองตอนนี้เราเราเปลี่ยนใจของเราไม่ได้เราควบคุมใจของเราไม่ได้เพราะเรามีตัวกิเลสมาเป็นผู้ควบคุมใจให้กับเรานั้นเองกิเลสก็คือความอยากต่างๆเหล่านี้นั่นเองเรามีความอยากที่จะให้มีความสุขแบบที่เราต้องการ พอเป็นอย่างที่ไม่ใช่เราต้องการมันก็ไม่สุขขึ้นมานี need, เราต้องมาหัดปรับ mm hmm. ใจใหม่มาหัดปรับใจของเราให้สุขกับทุกอย่างอย่าไปสุขกับเรื่องนั้นเรื่องนี้บางเรื่องอีกเรื่องที่เราไม่ชอบเราก็จะไม่สุข société? เราต้องมาหัดปรับใจทําใจเราให้สุขกับทุกเรื่องให้ได้นวิธีที่จะทําใจให้เราสุขกับทุกเรื่องก็เนี่ยก็ต้องอาศัย การปฏิบัติสองขั้นด้วยกันขั้นแรกก็คือขั้นสมาธินี่ครขั้นสมาธิทำใจให้สงบให้ได้ทำใจให้สงบแล้วใจจะเป็นอุเบก mm. ขาพอใจเป็นอุเบกขาใจจะเฉยได้กับทุกเรื่องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ชอบหรือไม่ชอบก็ตามคนชมก็เฉยได้คนด่าก็เฉยได้ ถ้ามีอุเบกขาอุเบกขานี้ก็จะเกิดได้จากการที่เราเข้าสมาธิบ่อยๆเข้าอยู่เรื่อยๆเพราะว่าอุเบกขานี่เป็นเหมือนน้ำเย็นเนี่ยเวลาเราเอาน้ำเข้าไปแช่ในตู้เย็นแช่ไปสักพักหนึ่งน้ำก็จะเย็นขึ้นมาพอเราเอาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็ยังจะเย็นอยู่ แต่พอทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวความเย็นของน้ำก็จะหายไปความร้อนก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ใจก็แบบเดียวกันใจก็เป็นเหมือนขวดน้ำเวลาเอาเข้าไปในสมาธิมันก็จะเยน็นจะเป็นอุเบกขาแต่พอออกจากสมาธิได้ไม่นานเดี๋ยวความร้อนมันก็โผล่ขึ้นมาความร้อนเกิดจากความโลภความอยากต่างๆนี่ ทำให้อุเบกขาหายไปผู้ปฏิบัติที่ต้องการที่จะมีสมาธิให้อยู่อย่างต่อนเนื่องจึงจำเป็นต้องคอยเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆในระดับของสมาในระดับของการปฏิบัติสมาธินี้ต้องเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆพอจากสมาธิมาทำกิจอะไรที่จำเป็นต้องทำเสร็จแล้วใจเริ่มร้อนแล้วต้องเริ่มกลับเข้าไปในสมาธิใหมนะ่เข้าไปอยู่เรื่อย เพื่อที่จะให้มีอุเบกขามากขึ้นมากขึ้นและเวลาออกมาจะได้ยาวขึ้นนานขึ้นแต่ก็ยังต้องกลับเข้าไปอยู่เรื่อยๆเพราะว่าอุเบกขามันก็จะต้องลดน้อยลงไปตามกำลังของกิเลสตัณหาที่จะขึ้นมาทำลายมันอยู่นั่นพอเราได้ขั้นของสมาธิสามารถ เอาจิตเข้าไปในสมาธิตามเวลาที่เราต้องการเพื่อให้จิตเป็นอุเบกขาเวลาที่เราออกมาแล้วช่วงที่เราออกมาจากสมาธินี้เราต้องมาเจริญปัญญากันมาพิจารณาไตรลักษณ์กันพิจารณาวความจริงที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้เช่นความแก่ความเจ็บความตายเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้การพัดพากจากกันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ การที่จะสัมผัสกับโลกธระททั้งแปดนี้เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้โลกธระทก็คือลาบยศสรรเสริญสุขที่มีทั้งเจริญและมีทั้งเสื่อมเป็นสี่คู่เจริญลาบเจริญเจริญลาบเสื่อเสื่อมลาบเจริญยศเสื่อมยศเจริญสรรเสริญก็ต้องเจอนินทาเจริญสุขก็ต้องเจอทุก เพราะว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเว้นที่ไม่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนดังนั้นผู้ปฏิบัตินี้จะเริ่มพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตใจไปเกี่ยวข้องด้วยที่ไปทุกข์ด้วยกับสิ่งต่างๆพิจารณาให้เห็นว่าเขาเป็นตายรักเขาจะต้องมีการเสื่อมเขาไม่จเจริญเพียงอย่างเดียว พิจารณาว่าเขาเป็นอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามไม่ให้เขาเสื่อมไม่ได้สั่งให้เขาเจริญอย่างเดียวไม่ได้พอเราเห็นความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องอยู่ว่าเขาจะต้องเสือ่อมเขาจะต้องทําให้เราทุกข์ถ้าเราไปอยากให้เขาไม่เสือ่อมเราก็มาเปลี่ยนใจเราต่อไปนี้เราจะไม่ไปอยากให้เขาเจริญเราจะไม่อยากไม่ให้เขาไม่เสื่อมแล้ว เราจะปล่อยให้เขาเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเราจะใช้อุเบกขาลับกับเขาเพราะเวลาเรามีอุเบกขาเราเฉยได้เราไม่ทุกได้อันนี้ก็คือการใช้ปัญญาสอนใจให้หยุดความอยากต่างๆอยากให้ไม่เสื่อมอยากให้เป็นไปตามความต้องการของเรา เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าห้ามไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ต้องปล่อยวางต้องทำใจเฉยๆอยู่กับเขาไปเวลาเรามีอุเบกขาเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เวลาเราเข้าสมาธิใจสงบนี้เราอยู่ตามลำพังของเราคนเดียวเราไม่มีใครมาให้ความสุขไม่มีราบยศสนรเสริญ ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขไม่มีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขแต่เราทำไมมีความสุขได้เพราะนั่นแหละคือธรรมชาติของใจของพวกเราธรรมชาติของใจของพวกเราก็คือใจของเราไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขใจของเรามีความสุขในตัวของใจแล้วการที่ใจไม่มีความสุขมันเกิดจากความหลง ที่ไปคิดว่าต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะทำให้ใจมีความสุขนั่นเองนะพอคิดสิ่งนั้นปั๊บความอยากก็โผ <ällt. S 1> <claro. S 2> ล่ขึ้นมาพอเกิดความอยากขึ้นมาอยู่ไม่เป็นสุข n ั่ตอนต้นอยู่เฉยเฉยยังอยู่ได้นั่งเฉยเฉยนั่งสบายได้พอคิดอยากได้นู่นอยากมีนี่แล้วขึ้นมาอยู่ไม่ได้นั่งเฉยเฉยไม่ได้แล้วพอคิดอยากจะดื่มกาแฟขึ้นมาอยากจะกินขนมขึ้นมานั่งอยู่เฉยเฉยนั่งไม่ได้แล้ว เกิดความอยากขึ้นมาแล้วอือันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจให้รู้ว่าการหาความสุขจากสิ่งต่างๆนะมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดเวลาหมดมันก็จะทําให้เราทุกข์แต่การหาความสุขจากการอยู่เฉยๆอยู่ด้วยอุบเบกขานี่อยู่โดยไม่มีความอยากเป็นความสุขที่จีรังถาวร เป็นความสุขที่ไม่มีความเสือ่อมไม่มีเป็นความสุขที่ไม่ไม่ใช่เป็นอันนี้จังเป็นความสุขที่เราควบคุมบังคับได้เราปเราใช้สมาธิใช้วิปัสสนามาควบคุมความสุขอันนี้ได้เราสามารถรักษาความสุขอันนี้ให้อยู่คู่กับใจเราไปตลอดได้เรานี่ล่หละคือวิธีการ วิคราของพระพุทธเจ้าจนในที่สุดพระองค์ก็ได้ส่งตัดสรุอริยสัจสีขึ้นมารู้ว่าความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี้มีเหตุที่ทาให้ใจทุกข์ก็คือความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายหรือความอยากหาความสุขผ่านทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกาย ยังอยากให้ร่างกายอยู่ไปนานๆไม่อยากให้ร่างกายเป็นอะไรไปแต่มันเป็นไปไม่ได้หลังจากที่พิจารณาตามความเป็นจริงของร่างกายร่างกายในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราพุทธเจ้าก็เลยส่งค้นพบมรรคก็คือการทําให้ใจไม่ทุกข์ด้วยการ เห็นไปลลักเห็นความจริงของสิ่งที่ทําให้ใจทุกข์ว่าไปอยากให้เขาเป็นไปตามความต้องการของใจไม่ได้นต้องเปลี่ยนใจต้องปรับใจต้องปล่อยวางพอปล่อยวางได้แล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะหยุดเพราะความอยากหายไปแล้วตอนต้นอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่า ที่ทุกข์ก็ทุกข์เพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็ไม่ได้ไปทำให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่อย่างใดก็มาเปลี่ยนความมาเปลี่ยนใจท่านเองว่าเมื่ออยากแล้วทุกข์ก็อยากไปอยากมันไม่ดีกว่าเลยก็ทำใจให้เป็นอุเบกขาถ้าใจไม่ยอมยังไม่ยอมเป็นอุเบกขาก็ใช้สติเดินพุทโธพุทโธหยุดความคิดหยุดความอยากได้ นี่คือการค้นพบพระอริยสัจสีของพระพุทธเจ้าค้นพบวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจต่างๆให้หมดไปและค้นพบด้วยว่าเมื่อความอยากต่างๆหมดไปแล้วจะไม่มีอะไรมาดึงใจให้กลับมาเกิดอีกต่อไปก็จะทำให้ใจหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ไม่ต้องมาติดอยู่กับตายพบไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบในรูปพบในอรูปพบอีกต่อไปอยู่ที่ที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดที่พระองค์ใช้คำว่านิพพานนิพพานความจริงไม่ได้เป็นสถานที่เป็นสถานภาพของจิตจิตที่สิ้นกิเลสแล้วจิตที่หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจิตที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้ว เรียกว่านิพพานจิตของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังอยู่อยู่ที่อยู่ในสภาพของนิพพานแต่ส่วนจิตของพวกเราในตอนนี้ก็อยู่เหมือนกันจิตของพวกเราและของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันตายเหมือนกันแต่อยู่ต่างสถานภาพกันพระพุทธเจ้าเหมือนคนที่อยู่นอกคุก <time> นิพพานนี <Hungarian> ้เป็นเหมือนนอกคุกส่วนพวกเรานี้เป็นเหมือนพวกที่อยู่ในคุก ภพของพวกเราก็คือไต่ภพนี้กามาพบรูปภพและอารูป์ภพส่วนใหญ่พวกเราจะติดในการมาพบกันเพราะพวกเราชอบเสพกามกันชอบเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพปะเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เรือมมาเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่เรื่อยๆช่วงที่ไม่เป็นมนุษย์เป็น ส, สัตว์เดรัจฉานก็อาจจะเป็นเทพเสพรูปทิดเสียงทิดกลิ่นทิดหรือถ้า ทำบาปก็ไปเป็นเปรตเป็นนสุรกายไปตกนรกเสียความทุกข์เสียความทุกข์ที่เป็นทิพย์เหมือนกันเสียงทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพยท์ที่เป็นทุกข์เหมือนกันนี่เรื่องของจิตใจของพวกเราทุกคนกับของพระพุทธเจ้านี้ต่างกันตรงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบพระอริยสัจสี่ส่งรู้วิธีที่จะหยุด ที่จะดึงจิตให้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจิตของพวกเราตอนนี้ยังไม่ได้ค้นพบวิธีหรือได้ค้นพบแล้วแต่ยังไม่ได้นำเนินการปฏิบัติตามวิธีที่ได้ค้นพบการได้พบกพระพุทธศาสนานี้ก็เป็นเหมือนกับการได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้เรานี้ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดแตถ้าเรายังไม่ปฏิบัต ตามที่เราที่เราได้ค้นพบเราก็ยังออกไม่ได้วิธีที่จะพาให้เราออกจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดก็คือการปฏิบัติธรรมสามขั้นด้วยกันคือขั้นทานขั้นศีลและก็ขั้นภาวนาที่มีจีุพูดถึงนี่จะพูดแต่ขั้นภาวนาเพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้ทําทานสมบูรณ์แล้วได้สระราชสมบัติไปแล้ว แล้วก็ได้รักษาศีลอย่างสมบูรณนะ์แล้วขาดเพียงแต่การภาวนาที่ยังไม่สมบูรณ์ก็เลยเอาเรื่องการภาวนามาพูดให้ฟังแต่ทุกคนที่จะต้องการจะออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ต้องปฏิบัติทั้งสามขัน้นทานศีลและภาวนาต้องทำให้เต็มร้อยทานให้เต็มร้อยก็คือมีร้อยก็ต้องสละทั้งร้อยไปหมด ก็จะได้ไปอยู่แบบนักบวชได้นักบวชไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติไม่ต้องมีข้าวของเงินทองอาศัยกําลังวังชาของตนเลี้ยงชีพของตนเองด้วยการบิญทบาทไม่จําเป็นจะต้องมีทรัพย์มีทรัพย์แล้วมันเป็นหุเป็นบวงมันจะทวงความเจริญของการปฏิบัติลองสละทรัพย์ไปให้หมดนพระพุทธเจ้าต้องออกจากวังไปแล้วก็ไปรักษาศีลให้บริสุทธิ์ศีลตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไป แล้วก็บำเพ็ญจิตตภาวนาเบื้องต้นก็สมถ ภ, ภาวนาทาจิตให้สงบแล้วขั้นต่อไปพอมีอุเบกขาสั่งผลิตอุเบกขาได้แล้วก็ไปเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษ์พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปยึดไปติดให้เห็นว่าเป็นไตรลักษ์ให้เห็นว่าเป็นทุกข์แล้วใจก็จะได้ปล่อยวางแล้วก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างที่ไม่มีวันสิ้นสุดอย่างพวกเราตอนนี้ถ้ายังไม่ปฏิบัติถึงปนานิพานเราก็ยังจะต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้อยู่เรื่อยๆตายจากโลกนี้ไปแล้วก็ไปรับผลบุญผ ล, ผ ล, ผ ล, ผลบาปเป็นเทพบ้างเป็นเปรตบ้างแล้วแต่บุญหรือบาปที่เราทากันเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่ ก, ม ก, หมก็มา ทำบุญทำบาปกันใหม่มาหาความสุขตามความอยากต่อไปจนกว่าเราจะน้อมเอาทรม้าของพระเจ้ามาปฏิบัติคือทานศีลภาวนาถ้าปฏิบัติได้ก็จะหลุดพ้นได้อย่างพระสุปฏิปันโนทั้งหลายคู่บาอาจารย์ที่เรากราบว่าเคารบบูชาท่านก็เป็นปุถุชนเหมือนพวกเรามาก่อน แต่ท่านเป็นผู้ที่น้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติอย่างเต็มร้อยพอท่านได้ปฏิบัติเต็มร้อยผลก็ปรากฏเต็มร้อยขึ้นมาคือนักผลนิพพานการหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละคือเรื่องราวที่เกิดจากการมีพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่มานั่งคุยเรื่องราวเหล่านี้ในวันนี้เราจะเหมนพวกที่ไม่เข้าวัด เราจะคุยกันว่าวันนี้ไปกินเล่าที่ไหนดีไปเที่ยวที่ไหนดีไปหาแฟนที่ไหนดีไปช้อปปิ้งที่ไหนดีไปอะไรที่ไหนดีจะไม่มีวันที่จะมาพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้ได้แต่พอมีพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราถึงได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วเรามาแบ่งกันมาสนทนากันเพื่อที่จะได้เสริมความรู้ให้แก่กันและกันเพื่อที่จะได้สร้างศรัทธาวิริยะฉันทาวิริยะ ความยินดีที่จะน้อมเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัตินี่คือเป้าหมายของการแสดงธรรมต้องการที่จะสร้างอิทธิบาทศีลให้แก่ท่านผู้ฟังให้เกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาต่อการปฏิบัติต่อคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะถ้ามีอิทธิบาทศีลแล้วมักผลนิพพานนี้อยู่แค่เอื้อมมือนี้เองเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องราวของวันวิสาขาบูชา ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาลิวาหาปุราภาิริปเรนติสาคขลงเอวาเมวาอิตโตทินังเมตานังอุปกาปฏิ <c oughs> อิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวาสมิจตุ สัพเพโเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติอะมาโสยธัสพีติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินัสสตุมาเตภวะโตอันตรายุสุขีทีฆายุโกภาวะ อาพิวาธนาสิลิสะนิจังวุธาประจายโนจตารธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้มีกลุ่มญาติโยมจากวัดพระพุทธบาทน้ำผู้ ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเอดท่านเจ้าคุณอารมกดอารณ์กรอารมณกดอารมกดท่านก็ทำทานอย่างใหญ่หลวงช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับที่มาเยี่ยมเยียนกันทราบว่าจะมีคำถามที่อยากจะถาม ก่อนที่จะเริ่มเรื่องคำถามก็จะขอทราบว่าตอนนี้มีผู้ติดตามทางบ้านจำนวนเท่าไหร่ตามผู้ติดตามจากทางบ้านค่ะอาจารย์ f a c e b o o หกร้อย u t u สิบเก้าทสาร้อยเจ็ดสิเอ็ดทออนไลน์สิบเ o ็ดซูมสิบแล้วก็จากวอลเลนเตียเพจหกสิบสองรวมหนึ่งพันแปดสิบสามค่ะ อยากจะถามอะไรหถ้าอยากจะถามก็เชิญถามได้ครับขอโอกาสพระอาจารย์สุชาตินะครับในานามตัวแทนบ n t เวณไท a แลนด์ก็มีคำถามที่อยากจะให้พระอาจารย์ได้สรุปแล้วก็แนะนาในการปฏิบัตินะครับอยากขอโอกาสถามถึงความจำเป็นของสมถกรรมฐานต่อวิปัสสนากรรมฐานมีความจำเป็นอย่างไรครับ ก็อย่างที่ได้แสดงไว้เมื่อกี้นี้แล้วว่าถ้าเราไม่มีสมถะเราจะไม่มีอุเบกขาใจของผู้ที่ไม่ได้ภาวนาไม่เคยเข้าสมาธินี้จะไม่รู้จักคำว่าวางเฉยว่าเป็นอย่างไรเวลาสัมผัสกับอะไรนี้เกิดความอยากขึ้นมาทันทีแล้วก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาทันทีไม่สามารถที่จะเอาปัญญามา คิดอย่างรอบคอบได้แต่ถ้าใจมีสมาธิมีสมถะมีอุเบกขาใจจะเยือกเย็นใจจะไม่กู้วา่าไม่เกิดอารมณ์ขึ้นมาเพราะการเจริญปัญญานี้ใช้ปัญญานี้ถ้ามีอารมณ์แล้วจะมีอคติจะชอบบางเรื่องจะไม่ชอบบางเรื่องเรื่องที่จะให้ พิจารณาที่ไม่ชอบก็จะไม่ยอมพิจารณาเพราะว่าการปฏิบัติด้วยการเจริญปัญญานี้เพื่อให้เรามองความจริงทั้งสองด้านทั้งด้านที่เราชอบและด้านที่ไม่ชอบเชนร่งางกายของเรานี้เราจะชอบมองแต่ความเจริญของร่างกายเราจะไม่ยอมมองความเสื่อมของร่างกายเราชอบมองความสวยงามของร่างกาย เราจะไม่มองความไม่สวยงามของร่างกายมันก็เลยทำให้เราหลงกับร่างกายเพราะเราไม่เห็นส่วนที่จะทำให้เราไม่หลงไม่รักร่างกายถ้าไม่มีอุเบกขานี้มันจะพิจารณาไม่ได้พอพิจารณาความตายปัตีิใจจะเกิดอารมณ์หดหู่ขึ้นมา พอหดหก็ไม่คิดบางคนเพียงแต่นึกถึงคำว่าตายท่นี้ก็ยังไม่กล้านึกเลยถึงแม้เวลามีคนตายในบ้านก็ไม่พูดคำว่าตายกันบอกว่าสิ้นลมแล้วไปแล้วไปสวรรค์แล้วอะไรก็ว่าไปแต่คำว่าตายนี่มันรู้สึกว่ามันไปแทงใจแต่คนที่มีโอเบยขาจะไม่รู้สึกอะไรกับคา ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆเพราะใจจะวางเฉยเท็งจต่ว่าอุบเบกขามันมันไม่ถาวรต้องคอยไปเติมอยู่เรื่อยๆต้องไปเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆเวลามันหมดก็ต้องไปเข้าสมาธิพอเติมอุบเบกขาออกมาก็จะได้มาสอนใจให้คิดถึงเรื่องที่ไม่ชอบคิดต่อไปคิดถึงความตายคิดถึงการพัดพากจากกัน คิดถึงความไม่สวยงามของร่างกายคิดถึงสภาพที่ไม่น่ารับประทานของอาหารเป็นต้นมีใครอยากพิจารณาอุจจาระบ้างมีใครพิจารณาอุจจาระกันหรือเปล่ามีแต่จะลืมศาสาร์รดน้ําเนี่ยเวลาเข้าก็ยังบางทีต้องปิดจมูกกันแต่ถ้ามีอุเบกขาแล้วจะเฉยเฉย กลินเหม็นก็เฉยๆกับมันมองเห็นอุจจาระก็เฉยๆมันก็เหมือนกับมองเห็นอาหารในจานเพียงแต่ว่ามันต่างสภาพกันเท่านั้นเองมัในในจานเขาก็ตบเขาก็ปรุงแต่งให้มันมีรูปร่างลักษณะอย่างหนึ่งพอออกจากร่างกายร่างกายเราก็ปรุงแต่งให้มีรูปร่างลักษณะอย่างหนึ่งเท่านั้นเ็นเป็นเหมือนส้อยกรอบก็ <laughs> ดูไปนี่น่ากิน <laughs> ส้อยกรอก นี่แหละคืออุเบกขาถ้าไม่มีล้าไม่นัองได้ไม่มีวันที่จะพิจารณาไดค้ครับครับขออนุญาตขอเป็นคำถามที่สองนะครับพระอาจารย์อยากจะสอบถามการทำทานมีความสำคัญอย่างไรแล้วมีแบบไหนบ้างครับคาว่าการทำทานนี้เหมาะกับผู้ที่ <c oughs> มีของที่จะให้แต่หัว ไม่อยากให้ใครอยากจะเก็บไว้ใช้คนเดียวคิดว่าการมีของใช้แล้วจะมีความสุขแต่ความจริงถ้ามันเกินต่อความที่จําเป็นจะต้องใช้เก็บไวฉะฉะฉะ้เฉยๆมีกี่ร้อยเท่ามันก็ไม่ได้มีทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่ถ้าเอาของที่มีอยู่ร้อยเท่าที่เราไม่ได้ใช้นี้ไปให้คนอื่นไปแจกคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เกิดมีความสุขขึ้นมาอีกร้อยเท่าขึ้นมาในใจอันนี้เป็น การหาความสุขของผู้ที่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองผู้ที่ยังไม่เป็นนักบวชเขาก็ยังไม่สามารถหาความสุขจากการรักษาศีลจากการภาวนาได้ก็ต้องอาศัยการหาความสุขจากการให้ทานดีกว่าการหาความสุขจากการเอาเงินทองไปซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขซึ่งมันเป็นเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดพอซื้อแล้วมันติด คือเราจะต้องซื้ออยู่ได้เรื่อยๆแล้วถ้าวันไหนไม่ได้ซื้อก็จะหงุดหงิดลำคาญใจเหมือนกับคนติดยาเสพติดงั้นอย่าเอาเงินทองไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันเอาเงินทองไปทําบุญทําทานดีกว่าใจจะมีความอิ่มความสุขแล้วฐานนี้จะเป็นฐานหรือเป็นผู้ที่เปิดทางให้เราเข้าสู่การรักษาศีลได้ผู้ที่ทําทานจะเป็นคนมีใจเมตตา จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะทำให้การรักษาสี่ท่านี้เป็นไปได้อย่างง่ายดายส่วนผู้ที่ไม่ทำทานนี้เป็นผู้ที่อยากจะกอบโกยหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับตนก็จะเป็นผู้ที่ไร้ความเมตตาเวลาต้องการอะไรก็ไม่สนใจว่าจะทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนหรือไม่ขอให้ตัวเองมีความสุขจากการที่ต้องการในสิ่งนั้นๆเท่านั้นเอง จึงทำให้กลายเป็นคนใจโหดร้ายทารุณเป็นคนที่ไม่มีศีลนักษาศีลไม่ได้คนที่มีความอยากหาเงินหาทองก็จะได้เอาเงินทองไปซื้อความสุขต่างๆพระพุทธเจ้าถึงต้องสอนสำหรับผู้ที่หาเงินหาความสุขจากการใช้เงินทองนี้ให้มาใช้เงินทองแบบทำบุญทำทานแทนแล้วจะทำให้ไม่ไม่หิวโหวยทำบุญทำทานแล้วอิ่ม แล้วถ้าไม่มีเงินทำบุญทำทานก็ไม่ต้องไปหามาเดือดร้อนไม่ต้องไปทำบาปไปทำอะไรก็อยู่เฉยๆก็มีความสุขคิดถึงบุญเก่าก็เกิดความสุขขึ้นมาคิดถึงบุญที่เราได้ทำเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้เมื่อสองเดือนที่แล้วเห็นเวลาที่เราได้สงเคราะห์ได้ช่วยเหลือใครให้เขามีความสุขพอคิดขึ้นมาใจก็มีความสุขขึ้นมา เขาจะทําให้เราไม่ต้องไปเดิมหนนหาเงินหาทองกันมากเกินความจําเป็นถ้าหาก็หาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองเท่านั้นมันก็จะทําให้เรามีเวลาว่างเวลาที่เราจะได้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมขั้นสูงต่อไปคือขั้นภาวนาขั้นรักษาศีลแปดต่อไปส่วนทานที่ถามว่ามีกี่แบบก็มีอยู่สี่แบบใหญ่ๆ วัตถุทานคือการให้เข้าของเงินทองสิ่งของหรือการกระทาอะไรด้วยร่างกายของเรานี่ยก็เรียกว่าเป็นวัตถุทานได้ช่วยรักษาคนป่วยคนพยาบาลอะไรนี่มันก็เป็นอยู่ในกลุ่มของวัตถุทานแล้วช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นวัตถุทานเราต้องใช้วัตถุเป็นเครื่องมือข้อที่สองก็วิทยาทาน เราอาจจะไม่มีไม่มีวัตถุเข้าของเงินทองแต่เรามีวิชาความรู้เราก็เช่นเราสอนวิชาให้กับเด็กนักเรียนโดยไม่คิดเงินทองเด็กที่ก็อยากจะปิวเข้ามาหาไลเรารู้วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็สอนเขามีก็เรียกว่าวิทยาทานชนิดที่สามก็ธรรมทานถ้าเราปฏิบัติธรรมเรารู้ธรรมขั้นไหน เราสามารถแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้สอนเขาได้แล้วเขานามาไปปฏิบัติแล้วทำให้เขาเกิดความสุขขึ้นมาจากการปฏิบัติเนี่ยมันเทาความทุกของเขาได้อันนี้ก็เรียกว่าธรรมทานทานอีกอย่างหนึ่งที่ได้ยินมาก็คืออภัยทานอภัยทานก็คือการไม่เอาเรื่องเอาราวไม่เอาโทษกับผู้อื่น บางทีเราโกรธใครเราอยากจะล้างแค้นเขาเวลาเราล้างจากจะล้างแค้นใจเราจะเดือดร้อนมากกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่พอเราให้อภัยเขาปั๊บใจเราจะเย็นจะสบายจะเป็นความสุขขึ้นมานี่คือทานชนิดต่างๆที่เราสามารถทำกันคือข้อสำคัญท่านบอกว่าให้ทำในสิ่งที่เราทำได้หรือมี ไม่ต้องไปหาเงินหาทองมาเพื่อเอามาทำบุญทำทานอันนี้ไม่ใช่เสียเวลาไปเปล่าๆวนอยู่ในอ่างถ้าไม่มีเงินไม่มีทองเลยก็ไปภาวนาเลยเมื่อไม่มีเงินมีทองต้องไปทำบุญทำทานก็เอาเวลาไปนั่งสมาธิไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมได้ก็เป็นบุญที่ให้ความสุขกับใจดีกว่าบุญที่ได้จากการทาทานเสียอีก ของข้าพรจชาถามถึงเรื่องของความเชื่อนะครับเราควรเชื่อนรกสวรรค์เทพเทวดาผีอย่างไรบ้างครับความเชื่อในพระพุทธศาสนานท่านไม่ให้เชื่อแบบงมงายท่านให้เชื่อแบบเอาไปพิสูจน์เหมือนกับคนไข้เชื่อหมอเวลาหมอให้ยามารับประทาน ถ้าเชื่อหมอถ้าไม่เชื่อหมอก็จะไม่รับยามารับประทานถ้าเชื่อหมอแล้วก็ยังไม่รู้ว่ายานี้รักษาโรคได้หรือไม่ต้องเอายานั้นเปรับประทานต่อต้องพิสูจน์ว่ายาที่หมอให้มานี้รักษาโรคได้จริงหรือไม่ถ้าไม่พิสูจน์ก็จะไม่รู้ถ้าไม่รับประทานก็จะไม่รู้ว่ายานี้รักษาโรคได้หรือไม่ ในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นเหมือนยาเรื่องเทวดาอินพรมเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องอะไรต่างๆที่ท่านเห็นแล้วแต่พวกเรายังไม่เห็นถ้าเราเชื่อแบบผลมไก่ก็เชื่อแต่ไม่นำออกไปพิสูจน์นี้ก็ยังไม่ถูกเชื่อแล้วเราต้องออกไปพิสูจน์วิธีที่พิสูจน์ก็เนี่แหละที่พระเจ้าสอนให้เราภาวนาถ้าเราภาวนาเข้าสมถะภาวนาได้ เราก็จะเริ่มเข้าใจเรื่องของโลกทิพย์เรื่องของเทวดาอินพรหมทั้งหลายเรื่องของเรื่องของเปรตของนรกของสวรรค์เพะฉะนั้นการเชื่อนี้มีอยู่สองระดับคือเชื่อแบบเชื่อหมอเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นหมอเป็นคนที่ไม่มาหลอกลวงเราแต่เราก็ยังต้องเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัตินี้มาพิสูจน์อีกทีหนึ่ง ถึงจะรู้แน่ชัดว่าพระพุทธเจ้านี้สอนเรื่องราวเหล่านี้จริงหรือไม่มีจริงหรือไม่ถ้าไม่นำมาไปพิสูจน์เราก็ยังจะไม่รู้อยู่ดีครับครับพระอาจารย์ครับอยากจะกราบเรียนถามการที่เราจะหาที่พึ่งเราควรจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับที่พึ่งมันก็มีสองที่พึ่งคือที่พึ่งทางกายกับที่พึ่งทางใจ ที่เพิ่งทางร่างกายนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าร่างกายของพวกเราต้องมีปัจจัยสี่มีอาหารมีเครื่องนุ่งหม่มมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคส่วนที่เพิ่งทางใจนี้ก็มีหลายวิธีเลยกันขึ้นอยู่ว่าเราจะไปเรียนรู้วิธีไหนบางคนที่เพิ่งทางใจของคนบางคนก็เพิ่งเทวดาเพิ่อ บงคลวัตถุต่างๆวัตถุมงคลต่างๆบางคนก็พึ่งกิจกรรมต่างๆเป็นที่พึ่งเวลาไม่สบายใจก็ไปสังสรรค์กันไปกินเลี้ยงกันไปเที่ยวกันเหล่านี้ก็เป็นที่พึ่งที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ให้กับใจได้แต่เป็นที่พึ่งแบบไม่ถาวรและไม่แน่นอนบางทีก็พึ่งได้บางทีก็พึ่งไม่ได้ ถ้าอยากจะได้ที่พิ่งที่ถาวรนี้ก็มีที่เพิ่งเดียวถ้าเราได้ศึกษาจากพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่พึ่งที่ถาวรของเราได้เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ท่านรู้วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดไป ถ้าเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอาจารย์เป็นผู้สอนเราศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องน้อมเอาไปปฏิบัติเนี่เพราะเราปฏิบัติแล้วเดี๋ยวเราก็จะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เรามีอยู่ในใจนี้ให้ค่อยหมดไปตามลาดับได้จนหมดไปหมดเลยได้ คำถามจากคุณปนัดดาค่ะนั่งสมาธิเกิดปิติจนหมดลมหายใจลมหายใจว่างนิ่งสักพักประมาณส0สบนาทีแล้วกลับมามีลมหายใจเริ่มมีทุกขเวทนาปวดขาก็ดูไปเรื่อยเห็นกายกับจิตแยกไม่เข้าไปยุ่งนั่งประมาณหนึ่งชั่วโมงเป็นแบบนี้ตลอดต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปเจ้าคะ ช่วงที่นั่งก็พยายามนั่งอย่างนี้ไปให้นานๆํามใจให้นิ่งเฉยนิ่งเฉยแบบไม่มีอะไรมาให้จิตรับรู้แล้วถ้ามีอะไรมาให้จิตรับรู้จิตก็นิ่งเฉยต่อเช่นตอนสงบใหม่ๆจิตอาจจะว่างไม่มีไม่รับรู้เรื่องของร่างกายแต่ต่อมาจิตก็เริ่มมารับรู้เรื่องของร่างกายรับรู้เรื่องของอาการเจ็บทางร่างกาย ถ้าใช้สติ ค, ควบคุมจิตให้นิ่งให้เฉยเป็นอุเบกขาได้ก็พยายามควบคุมต่อไปเรื่อยๆแล้วถ้าอยากที่จะเจริญขั้นที่สูงกว่านั้นขั้นต่อไปก็เวลาที่จิตอยากจะลดอยากจะหนีจากความเจ็บปวดของร่างกายก็ให้ใช้ปัญญาหรือวิปัสสนาพิจารณาธรรมชาติของความเจ็บปวดว่าเป็น อันจังทุกขังอนัตตาหรือไม่อันนี้จังก็คือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือว่ามันเหมือนเดิมตลอดความเจ็บปวดมันก็ไม่ได้เจ็บไปตลอดเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็มาอนัตตาเราห้ามมันได้หรือเปล่าสั่งมันได้หรือเปล่าถ้าเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันหายเจ็บปวดเราก็จะทุกข์แต่ถ้าเรา รู้ว่าเราห้ามมันไม่ได้เรามาห้ามใจเราอย่าไปอยากให้มันหายปล่อยให้มันเจ็บไปปวดไปเราก็ใช้ปัญญาใช้สมาธิใช้วุบเบคขาคอยดูไปเรื่อยๆปล่อยวางไปเฉยๆดูไปเฉยๆถ้าดูได้เดี๋ยวก็ปล่อยให้มันเป็นอ น, นิจจังของมันเองเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้าเรา ใช้ปัญญาแล้วต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บเพราะเราจะรู้ว่าความเจ็บมันไม่มาทําให้เราทุกข์ได้แล้วเราเจอมันเราทําใจเฉยๆได้ปล่อยวางได้ปล่อยให้มันไปเจ็บได้ความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากหนีจากความเจ็บไปเร้ว อ, อยากให้ความเจ็บมันหายไปเท่านั้นเองพอเราหยุดความอยากนี้ได้ใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับความเจ็บอีกต่อไป คำถามฝากถามค่ะหากเราเคยทํากรรมไม่ดีมาแล้วแต่ตั้งใจจะทําดีนับจากนี้เราจะปิดอบายได้ไหมคะได้องคุลิมานฆ่าคนมาต้องเก้าร้อยเก้าสบเก้าคนถ้าปฏิบัติทำขึ้นระดับพระอริยบุคคลได้ก็จะเป็นประตูอบายได้แต่ถ้ายังไม่ขึ้นสู่ระดับอริยบุคคลก็ขึ้นอยู่กับบุญที่เราทําใหม่ว่ามีมากกว่าบาปที่เราทําไว้ก่อนหรือเปล่า บุญที่เราทำใหม่นี้มีกำลังมากกว่าบาปที่เราทำไว้เวลาร่างกายตายไปบุญที่มีกำลังมากกว่าก็จะดึงใจให้ไปสุขติก่อนยังไม่ไปอบายแต่ยังไม่พ้นอบายถ้าช่วงใดที่บุญมันหมดกำลังหรือน้อยกว่าบาปเมื่อไหร่บาปก็จะดึงไปเกิดในอบายต่อได้ดังนั้นเราต้องอย่าประมาทต้องพยายามทำบุญอยู่เรื่อยๆทำบุญให้มาก แล้วก็ทำบาปแพ่งน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ทำเลยแล้วโอกาสที่เราจะไปใช้ผลบาปในอาบายมันก็จะไม่มีแล้วถ้าเราปฏิบัติขั้นภาวนาได้เราก็จะสามารถยกจิตออกจากอาบายได้เลยอย่างถาวรคำถามฝากถามอีกคำถามค่ะหากอยู่กับความว่างบ่อยๆไม่ได้เจริญสติ ความไม่เที่ยงของขันห้าจะได้บรรลุพระโสดาบันไหมครับเกิดถ้าเราอยู่กับความว่างมันก็สงบมันก็สบายช่วงที่มันว่างแต่พอมันมาเจอร่างกายเจอขันห้าที่มันมาสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเราไม่พิจารณาขันห้าเพื่อปล่อยวางขันห้าเราก็ยังติดอยู่กับขันห้าเราก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ได้ การเป็นผ้าโสดาบันนี้เราต้องพิจารณาขันห้าให้เห็นว่าเป็นไตรลักแล้วปล่อยวางขันห้าได้คือไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายกับเวทนาร่างกายจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเวทนาจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปร่างกายจะตายก็ปล่อยมันตายไปถึงจะบรรลุเป็นผ้าโสดาบันได้คําถามจากคุณโวก ค, ค่ะความรู้ต่างๆที่เราเรียนมา เมื่อตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องลืมหมดต้องมาเรียนใหม่ส่วนสมาธิภาวนาที่เราเคยปฏิบัติมาได้ผลอย่างไรเมื่อตายแล้วกลับมาเกิดใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่ไหมครับไม่เริ่มต้นใหม่หละของอะไรที่เราทำด้วยใจนี้มันจะอยู่กับใจเช่นการกระทารักษาสีนี้มันก็จะติดไปกับใจการภาวนานี้มันก็จะติดไปกับใจการทาบาปมันก็จะติดไปกับใจคืออะไรที่ทาแล้วให้มันเกิดเป็นนิสัยขึ้นมา มันก็จะติดไปความชอบความชังอะไรต่างๆที่เคยชอบเคยชังมันก็จะติดไปกับใจแต่สิ่งที่เราใช้สัญญาความจำนี้มันจะไม่ติดไปกับใจเราจะลืมบางทีเราเรืมแล้วเมื่อเช้านี้เรากินอะไรเมื่อเช้านี้เราจำไม่ได้แล้วถ้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสัญญาความจำนี้มันจะลืมแต่อะไรที่มันเกิดจากการกระทานี่มันจะไม่ลืม ถ้าเราเคยทำสมาธิมาชาตินหน้ากลับมาเกิดเราก็จะมาทำสมาธิต่อได้ถ้าเราเจริญตายรักอยู่กลับมาชาตินหน้าเราก็มาเจริญตายรักต่อได้ถ้าเราเคยทำบุญทาทานมาเราก็จะกลับมาทำบุญทาทานแบบที่เราเคยทาต่อไปได้คำถามจากคุณชัยวัด์ค่ะผมจะวางใจอย่างไรครับไม่เห็นสัตว์ที่บาดเจ็บแล้วไม่สามารถช่วยได้พิจารณาแล้ว ไม่สามารถช่วยได้จริงๆเพราะจะนำมาซึ่งภาระต่างๆหลายอย่างแต่รู้สึกสงสารแล้วก็รู้สึกผิดที่ไม่ได้ช่วยเขาถ้าช่วยไม่ได้ก็จะทำยังไงเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ต้องทำใจถ้าเกิดคุณเห็นคนตกน้ำจะจมน้ำตายคุณว่ายน้ำไม่เป็นคุณจะกระโดดลงไปช่วยเขาหรือเปล่า <c oughs> กระโดดลงไปคนก็ตายกับเขาแล้วนี่ <c oughs> ก็ต้องคิดอย่างนั้น เมื่อมันสดวิสัยมันก็ต้องปล่อยวางเป็นเรื่องของบุญกรรมของเขาไปคำถามจากคุณอะตอมค่ะภาวนาแล้วสว่างอยู่ข้างนอกลืมตาก็สว่างหลับตาก็สว่างควรแก้ไขยอย่างไรหรือไม่ต้องไปสนใจกับภาวะใดๆที่เกิดขึ้นพิจารณาว่ามันเป็นตายรักไปเหมือนเสียงเนี่ยมันดังอย่างนี้ ถ้าเราไปอยากให้มันหายมันจะทำให้เราทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยมันมันจะร้องก็ปล่อยมันร้องไปเดี๋ยวมันก็หายเองมันไม่หายก็เราก็อยู่กับมันไปแสงเรืออะไรก็ตามเวลามันเกิดก็อย่าไปอยากให้มันหายเรื่อเวลามันหายก็อยากจะให้มันเกิดนี่อย่าไปอยากนั่นเองเฉยๆไปกับมันมันจะโผล่ขึ้นมาก็ปล่อยมันโผล่ขึ้นมามันจะหายก็ปล่อยมันหายไปเพราะทุกอย่างมันเป็นอนิจจังเป็นไตรลักษณ์ คำถามจากคุณวิถ้ามีความทุกข์เริ่มต้นเราสามารถนําคําบริกรรมพุทโธมาใช้เพื่อผ่อนทุกข์ได้ไหมคะพระอาจารย์ได้ถ้าเราพุโทโธไปคำบริกรรมโดยที่อย่าไปให้ใจเราคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์เพราะความทุกข์ทางใจนี้มันเกิดจากความคิดของเราเองคิดถึงคนที่เขาทาร้ายเราพอคิดถึงก็โกรธทุกข์อยากจะาคาดพยาบาท พอเราพุโทโธพุธโทโธไปสักพักเราก็ลืมเรื่องคนที่ทําให้เราทุกข์ความทุกข์ก็หายไปชั่วคราวแต่จะไม่หายไปอย่างถาวรด้วยการบริกรรมถ้าอยากจะให้หายถาวรต้องใช้ปัญญาอืต้องพิจารณาว่าคนที่เขาทาให้เราทุกข์นี้เราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราต้องปล่อยให้เขาทําไปอื ถ้าเรายอมยอมแล้วใจเราก็จะหยุดหยุดต่อต้านต่อสู้แล้วใจเราก็จะเย็นก็จะหายทุกคําถามจากคุณนัฐพลผมไม่เคยนั่งสมาธิเลยครับจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับก็นั่งตอนนี้แหละเนี่ยหลับตาแล้วก็ลองท่องพุทโธดูลองนั่งหลับตาแล้วนั่งพุทธโธไปอย่ายไปคิดถึงเรื่องอะไรนั่งให้ได้นานที่สุดถ้าจะพูดได้ ถ้าพุทโธไม่ได้ดูลมหายใจได้ไหมลองดูลมหายใจไปหายใจเข้าออกให้รู้ว่าลมเข้าลมออกเท่านั้นเองไม่ต้องไปไปควบคุมบังคับลมเอหรือถ้าดูลมไม่ได้สวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดอิติปิโสไปสักออายุเราเท่าไหร่ล่ะอายุเราสามสิบก็สวดสักสามสิบจบดูอันนี้ก็เป็นวิธีฝึกนั่งสมาธิในเบื้องตน้นนะ คำถามจากคุณใหญ่ค่ะผมเคยทำผิดศีลห้ามาแต่ปัจจุบันปฏิบัติกรรมฐานจะสามารถบรรลุพระอริยบุคคลขั้นพระโสดาบันได้ไหมครับได้ข้าน า, หารหันก็บรรลุได้ถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาครบบริบูรณ์คำถามจากคุณพัราพร <c oughs> ใช้ชีวิตคู่มา24ปีแต่ไม่เคยมีความสุขเลย ไม่มีความซื่อสัสตย์ต่อกันไล่เข้าไปก็กลัวบาปจะทําอย่างไรดีคะทุกข์มากเจ้าค่ะก็ทุกต่อไปถ้าถ้าไม่แยกจากเขามันก็ต้องทุกต่อไปอมก็รู้อยู่แล้วอยู่มาแล้วยี่สิบปียังทุกข์เราจะทํำยังไงไม่ทุกข์ก็ต้องไม่อยู่ด้วยกันนั่นเองคําถามจากคุณสิริวันค่ะเรียนถามพระอาจารย์เรื่องบารมีสิบ ก็ต้องอยู่ในสังคมที่ทํางานแล้วต้องช่วยกันดูแลทรัพย์สินของบริษัทเช่นเครื่องทําน้ําเย็นไม่ค่อยมีคนยกน้ําดื่มขึ้นแทงน้ําแปรกๆเห็นว่าหมดก็ชวนน้องน้องยกแล้วก็บอกว่าถ้าน้ําใกล้หมดยกไม่ไหวก็เรียกให้คนอื่นช่วยยกแต่ปรากฏว่าไม่ทํากันเห็นแล้วก็เบื่อเลยตัดสินใจ น, นําน้ํามาทานเองจากบ้านทําอย่างนี้ถือว่ากําลังใจอ่อนหรือเปล่าคะแสดงว่าไม่ได้สร้างบารมี ไม่ได้สร้างทานบาลมีไม่ได้สร้างวิริยะบาลมีคิดว่าเอา้าน้ำหมดก็ไปยกมาใส่ใหม่ก็ได้วิริยะบาลมีทานน้ำต้องไปซื้อมาเรายอมจ่ายเงินซื้อน้ำมาเ็ได้ทานบาลมีไปคำถามจากคุณสุภวัฒน์ฟังพระอาจารย์ตอบคำถามที่ว่าเทวดาพรมทำบุญกุศลไม่ได้ ก็มีพระที่ติดต่อได้ไปสอนเกิดความสงสัยว่าในทศชาติของพระพุทธเจ้าท่านมีหลายชาติที่ไม่ใช่มนุษย์เช่นบัมเพญศีนภาวนาก็เป็นพญานาคบัมเพนอุเบกขาบารมีก็เป็นพรหมเป็นต้นอีกอย่างในตำรามีหลายครั้งที่เทวดาทำบุญทำบาปเช่นยักษทุบ พ, พระสารีบุตรเทวดามาถวายอาหารทิพพระธโดงอดอาหารที่าอาจารย์ว่าจึง อไม่เข้าใจว่าทำไมเทวดาทำบุญทำบาปไม่ได้ครับก็เทวดามันอยู่ในโลกทิพย์นะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเป็นดวงวิญญาณเปนเหมือนคนนอนหลับคนนอนหลับทำบุญทำบาปได้หรือเปล่าคนบุญคนนอนหลับก็เป็นคนไปรับผลบุญผ ล, ผลบาปคือบาปก็จะผลิตความฝันที่ไม่ดีให้เห็น บุญก็จะผลิตฝันดีให้เห็นถ้าบาปก็จะผลิตฝันร้ายให้เห็นเะฉะนั้นภพต่างๆนี้เป็นภพที่ไปรับผลบุญผลบาปภพที่จะมาสร้างบุญสร้างบาปได้นี้มีภพเดียวคือภพของมนุษย์ภพของเทวดาจะสร้างบุญได้ก็ต้องระดับฟังธรรมอย่างเดียวแล้วก็ต้องมีพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้ ที่จะแสดงทําให้กับเทวดาได้คำถามจากคุณภคิตตาค่ะการบรรลุโสดาบันบรรลุพระอนาคามีบรรลุพระอรหันต์ต้องฝึกให้สภาวะจิตเป็นอย่างไรเจ้าค้ะถึงจะบรรลุได้ออก็ขั้นตอนก็จิตให้สงบมีอเบคาแล้วก็ให้มีปัญญาที่จะคอยตัดสังโยนหรือกิเลสที่มา สร้างความทุบวุ่นวายให้กับใจพระโสดาบันก็ตัดสังโยชน์คือความหลงยึดยึดติด ก, กับร่างกายความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอตัดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พระโสดาบันก็หายทุกข์ส่วนพระสกิฎาคามีก็มีความอยากเสพรูปเสพกามอยู่ยังมีกามอารมณ์พอเจริญสุภะกามอารมณ์มันก็จะ เบาบางลงไปก็ได้เป็นพระสกิรดาขามีแล้วถ้าจเจริญอสุภาพแบบต่อเ น, นื่องแบบไม่หยุดแบบไม่มีช่วงว่างเห็นอสุภาพตลอดเวลามันก็จะกําจัดการอาร ม, มหรือการมราคะอย่างถาวรก็จะได้เป็นพระอนาคามีส่วนพระขั้นต่อไปก็กําจัดสังโยชน์เบื้องสูงเช่นอวิชชา มานะการถือตัวพอกำจัดได้ใจก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจต่อไปคำถามจากคุณสุภชัยค่ะถ้าจเจริญพระกรรมฐานโดยจับยึดพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นประจำสม่ำเสมอและเมื่อขณะที่กำลังจะตายก็มีจิตยึดพระนิพพานและเมื่อตายจริงๆแล้วสามารถไปพระนิพพานได้ไหมครับ เราไม่เคยเห็นพระนิพพานเราจะไปจัดพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ยึดได้ยังไงไม่ได้เราพระนิพพานนี้มันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราต้องใช้กรรมฐานอย่างอื่นเช่นพุทธโธหรือลมหายใจเท่อเป็นยึดเหนี่ยวจิตใจให้จิตใจหยุดปรุงแต่งหยุดหยุดความโลภความอยากชั่วคราวแต่การที่จะมานั่งจินตนาการว่านิพพานเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ บางคนเห็นว่าเป็นชาติออกมาเป็นวงกลมวงกลมแล่าออเป็นเป็นเดรัจฉานวงกลมเข้าไปเป็นมนุษย์เข้าไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นอรายาิยบุคคลขั้นต่างๆพอถึงศูนย์กลางของวงกลมนั่นคือ น, นิพพานเอาลองไปนึกภาพเหล่านั้นดูเลยดูมันจะทาให้ใจสงบได้มั้ยมันไม่ได้หรอกนิพพานถ้าไม่เคยเห็นจะไปนึกมันได้ยังไง เมันต้องเคยเห็นอะไรก่อนถึงจะมันนึกมันได้คำถามจากคุณสิริวัลค่ะสมมติว่ากำลังจะตายคุณจะทำใจแบบไหนคะก็ะทาใจให้นิ่งแล้วก็ปลงวางยอมตายถ้ายอมตายแล้วใจก็จะสบายถ้ายัางยึดยังติดยังไม่อยากตายจะทุกข์มาก คำถามจากคุณนันทพลค่ะนั่งสมาธิกับกรรมฐานเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรครับคือการปฏิบัติเหมือนกันแต่เราเรียกชื่อต่างกันเหมือนกินข้าวกับกินอาหารหรือแบกนี้มันก็เป็นการกระทําเหมือนกันแต่ใช้ภาษาต่างกันนั่งสมาธิก็นั่งทำใจให้สงบนั่งกรรมฐานก็ใช้กรรมฐานเป็นอารมณ์ทาใจให้สงบมันก็เป็นเรื่องเดียวกัน เพียงแต่เราใช้คำพูดต่างกันไปเท่านั้นเองคำถามจากคุณชาญค่ะจะมีวิธีปฏิบัติให้สม่ำเสมออย่างไรเพราะบางทีก็ไม่อยากทำบางทีก็อยากทำเหมือนไม่มีพลังใจว้าเวเหมือนไม่มีครูคอยสั่งสอนก็ต้องตั้งตารางไว้หรือไปอยู่กับคนที่ก็มีวินัยเช่นไปอยู่วัดเนี่ยเขามีเวลาตีหลักังตีสี่ลุกขึ้นมา เวลานั้นนั่งสมาธิเวลานั้นเดินจงกรมเวลานั้นสวดมนต์เวลานั้นรับประทานอาหารต้องไปอยู่เหมือนกับเด็กที่ไปอยู่โรงเรียนกินนอนใช่ไหมโรงเรียนกินนอนนี้เขาจะมีครูคอยจัดตารางให้เฮ้ย hey, เวลานี้ทํานั่นทนํานี่ถ้าอยู่บ้านพ่อแม่ก็ปล่อยรักลูกเอาใจลูกอย่างให้ลูกมีความสุขลูกก็เลยเสียแต่ส่งไปอยู่โรงเรียนกินนอนแล้วก็เข็นโรงเรียนดัดสันดานเอ วัดนี้นก็เป็นโงเรียนดัดสันดานก็อยากจะดัดสันดานก็ต้องมาอยู่วัดมาบวชบวชสั้นบวชยาวก็ได้บางคนก็บวชสั้นบางคนก็บวชยาวอคําถามจากคุณโฟกัสค่ะเวลาผมสวดมนต์สวดไปเรื่อยๆก็หยุดสวดแล้วจิตมันนิ่งไปเองไม่ทราบว่าเกิดจากความง่วงหรือเปล่าครับอ่าถ้ามันนิ่งแล้วมีสติรู้สึกตัวอยู่สมบูรณ์ก็ไม่ง่วงเรียกว่าคือความสงบ บางทีพอมันหยุดสวดแล้วมันมันสงบมไม่มันไม่ต้องสวดมันอยู่เฉยๆได้แต่ยังอาจจะคิดว่ายังไม่ใช่สมาธิจริงเพราะสมาธิจริงมันจะมาสจันใจมันจะรู้สึกวู้ลงไปนิ่งเย็นสบายขึ้นมาแล้วก็มีความรู้สึกตื่นตัวร0อยเปอร์เซ็นอันนี้คำถามหมดครับอาจารย์โอเคมีใครอยากจะถามคำถามบ้างไหมยังพอมีเวลาเหลืออยู่บ้าง ขออนุญาตค่พ อ, จอาจารย์มีรูปเพจถามมาว่าถ้าเราทำสมาธิโดยไม่มีครูบาอาจารย์คอยสอนมีโอกาสที่จะสติฟั่นเฟือนได้หรือไม่เจ้าคะถ้าเรารู้จากวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเรามีหนังสือดีๆศึกษาแล้วเข้าใจวิธีปฏิบัติก็แล้วถ้าเรามีความรอบคอบแล้วก็ยา ไปนึกคิดเอาเองว่าเป็นนู่นเป็นนี่ให้ดูตามความเป็นจริงฮะบางคนนั่งไปแล้วจิตสงบหน่อยให้กูเป็นเทวดาเราทกอย่างอะอย่างนี้มันเป็นเรื่องของความนึกคิดเนี่ยก็ดกูกูก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะ ก, กูก็ยังชื่อเดิมคนเดิมอยู่ต้องมีปัญญาพอที่จะรู้พื้นฐานของความจริงส่วนอะไรที่เป็นที่เรื่องของจิตก็เรื่องของจิตใช่จิตมันอาจจะสงบขึ้น ยกระดับสูงขึ้นเราก็รู้เรื่องของจิตว่าเป็นอย่างนั้นแต่มันเรื่องของภายในมันเรื่องที่เราไม่เราเพียงแต่รับรู้ไว้เพราะว่าเรายังต้องดําเนินชีวิตภายนอกอยู่ภายนอกของเราร่างกายของเราก็ยังเดิมชื่อเดิมอยู่มีเงินเท่าเดิมอยู่ดังนั้นเราก็ต้องอย่าไปหลงกับเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในให้รู้เฉยๆว่ารู้มันเป็นอย่างนี้เป็นข้อมูลที่เราเก็บเอาไว้ รู้เฉพาะเราแล้วถ้าวันไหนเรามีโอกาสได้ไปเจอครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้เรื่องราวภายในก็ลองไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็อาจจะให้ความรู้เพิ่มเติมหรืออาจจะบอกว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปถ้าทําอย่างนั้นก็จะไม่หลง <Okay. S 2> ต้องมีครูบาอาจารย์แต่ไม่หมายความว่าจะต้องมีคนมานั่งคอยคุมเราเวลานั่งสมาธิ <Okay. S 2> เพียแต่ไปศึกษาจากอาจารย์ว่านั่งอย่างไงแล้วก็ไปนั่งเอง เนีพอได้ผลอย่างไรก็ก็ไปถามอาจารย์ว่าผลอย่างนี้เป็นอย่างไรอะไรทานองนี้ถ้ามีอย่างนี้ก็จะไม่มีไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นบ้า <Okay. S 2> ถ้าปฏิบัติเองไม่มีใครปรึกษาเลยนี่อาจจะเป็นบ้าได้ <Okay. S 2> ถ้าถามเองตอบเองอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็อาจจะเป็นบ้าได้ okay. ในฐานะที่วันนี้เป็นวันวิสาขบูชานะคะเจ้าค่ะออขอพระอาจารย์เมตตาแนะนำได้ไหมคะว่า ควรใช้ช <Ps> <ci> ีวิตหรือว่าแนวทางอย่างไรในฐานะที his ่เป็นคารวะที่เป็นมีครอบครัวใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ทั่วไปอะค่ะก็อย่างที่เราฟังเทศคําธรรมนี่ก็ปฏิบัติตามคําสอนเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนทั้งระดับคารวะและระดับนักบวชคารวะท่านก็สอนทำทานรักษาศีลภาวนาทําทานไปตามโอกาสตามกําลังหรือตามความอยาก บางคนอยากทําบุญมากก็ทําไปบางคนทําน้อยก็ทําไปก่อนแต่ผลก็คือถ้าทํามากก็จะได้มากทําทานแล้วก็รักษาศีลห้าสำหรับผู้คลองเรือนทั้งทํางานทําการจะรักษาศีลแปดก็จะยากยกเว้นถ้ามีเวลาว่างไปอยู่วัดบางช่วงก็ถือศีลแปดแล้วก็ไปภาวนาได้ ถ้าอยู่บ้านก็อาจจะภาวานาได้ๆๆน้อยๆช่วงก่อนนอนหรือช่วงเช้าตอนที่ตื่นขึ้นมาก่อนที่จะไปทำอะไรก็ใช้ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มาหัดภาวานาไปก่อนแล้วต่อไปถ้ามีเวลาว่างมากขึ้นก็อาจจะไปไปอยู่วัดไปภาวานาไปเข้าคอร์สที่ไหนต่อก็ได้คำถามจากคุณนิกกี้ค่ะเวลาพิจารณาผมขนเล็บฟัน หลังจากที่นั่งสมาธิได้ครึ่งชั่วโมงพิจารณาได้แค่สิบนาทีอย่างนี้ต้องแก้ไขยอย่างไรคะก็พิจารณาใหม่เพราะว่ากําลังของจิตมันมีแค่นั้นกิเลสมันดึงเอาความคิดไปคิดเรื่องอื่นต่อก็ต้องกลับมาคิดอยู่บ่อยๆคิดถ้าเห็นแล้วก็ทั่งไม่หลงไม่เลยอาการต่างๆของร่างกายเวลามองร่างกายของเรากรืของคนอื่นให้เห็นทั้งข้างนอกเห็นทั้งข้างในแล้วมันจะได้ไม่หลงแล้วก็ต้อง นอกจากข้างนอกข้างในแล้วต้องเห็นทั้งอนาคตด้วยอนาคตก็เกิดความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายแต่เห็นอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ยึดไม่ติดมันก็จะปลงจะวางจะปล่อยได้คําถามจากคุณโวค่คะพระอาจารย์ครับเราสามารถรู้สภาวะนิพพานชั่วขณะหนึ่งแต่ยังไม่ถึงกับบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไหมครับเหมือนกับการเข้าสมาธิได้ชั่วขณะหนึ่งแต่ไม่ถาวรก็เป็น นิพานเทียมไงเวลาจิตสงบนี่ก็เป็นเหมือนเข้านิพานแต่เป็นนิพานชั่วคราวเพราะว่ายัางไม่ไ ม, ไม่ไม่ถาวร อ, ออกจากสมาธิมากิเลสก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่คําว่านิพานก็คือไม่สิ้นกิเลสถ้าสิ้นกิเลสจริงๆแล้วจะเข้าสมาธิแล้วไม่สมาธิเข้าสมาธิกิเลสก็จะไม่มีก็จะเป็นนิพานตลอดเวลา แต่ถ้าเข้าสมาธิ่เรากิเลสหายไปชั่วข่าวนี้ก็เรียกว่าเป็นนิพพานเทียมวิชานิพพานชั่วข่าวคำถามจากคุณปกิตาการที่เราจะเจริญสติให้ได้ตลอดเวลาคือการทำให้ใจปลดปล่อยปล่อยวางไม่คิดในเรื่องต่างๆ ต, ต, ต, ตลอดเวลาใช่ไหมเจ้าคะใช่ถ้าเราอยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพุโทโธลืืน อ, อยู่กับงานที่เราทาการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ เราก็จะไปคิดเรื่อ ง, งต่างๆไม่ได้โบ้แลอีกคําถามค่ะพระอาจารย์จากคุณจอร์ดค่ะถ้าภาวนาแล้วง่วงมากๆจนกระสับกระส่ายจะต้องแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะแสดงว่าไม่มีสติพอดนะัองพุโทโธขยันพุโทโธพุโทโธไปแล้วขยันสวดอิติปิโสไปก่อนก็ได้อืจนกว่าจะหายกระสับกระส่ายแล้วค่อยมาดูลมต่อ คําคถาม<ด>สุดท้า ย, ยาครับอาจารย์อคําถามจากคุณจริงใจค่ะจุดสําคัญของการเจริญสติคือความต่อเนื่องใช่ไหมครับก็สติก็ถ้าทําใหม่ๆมันก็จะล้มลุกคุกขานะทาแล้วเดี๋ยวก็ลืมมันก็จะไม่คืบหน้าถ้าใช้คืบหน้าก็ต้องทําให้มันต่อเนื่อง้ามันต่อเนื่องแล้วก็เป็นเหมือนคนยืนได้เดินได้ ก็สามารถไปทำอะไรต่างๆให้เป็นประโยชน์ได้แต่เบื้องต้นมันก็จะเป็นแบบน้มลุกคุกคานไปก่อนอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิริศพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด